มันก็เป็นบารฐานแรกที่จ ะ, ะไปสู่ในองค์ภาวนาซึ่งปัญญามันมีอยู่3ระยับระดับะระดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสุตตมยะปัญญาปัญญาไดจากการฟังแล้วก็อ่านส่วนปัญญาระดับที่สองเนี่ยจินตามยะปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาระดับที่ว่าใช้ความคิดพิจารณาโยนิโสมนสิกาน ต, ตรองไขควรส่วนภาวนาปัญญาปัญญาเนี่ย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 มันเป็นอะไรต่างๆนานา ม, มากมายนะเหมือนการทําสงครามแล้วเนะี่าเรากำลังทะเลาะกับเขเมรนะกำลังทะเลาะ ก, กับคนนั้นคนนี้ที่ไหนได้มันมีการทนะเลาะกับฝรั่งเศสโ น, น่นแหละสมัยสงครามโลกลเราลึกดูนะเรารู้ทางและเรากลับมาทีนะ่หลบที่ตั้งของเราคือความเป็นปกตินะรู้เนะ้อรู้ตัวนะมันก็เป็นเรื่องที่เราทําได้ทุกคนนะ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 มจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนนะปลาดไม่ได้รถไฟกระบวนสุดท้ายกระบวนกนะี่มันไปสู่มรรคผลนิพพานจริงๆนะรูปแบบการเคลื่อนไหว14ช่งวงเวลาในายุคนี้ยมันยุคที่ตื่นขึ้นมากทนะั้งการโฆษณาชวนเชื่อเนะราเรียกว่าโฆษณาเพื่อให้ทุกคนได้เนหะมือนกับถูกปลุกขึ้นมานะปลุกขึ้นมาจากการที่เราหลงไปกับกระแสของสังคมต่างๆ กระแสของโลกที่กาลังใช้กันว่าโลกาภิวัตหรือว่าเรียกว่านวัตกรรมที่ทําให้อารมณ์มันรุนแรงขึ้ น, นอาหารก็ลดจัดขึ้นอย่างนี้นะหรือว่าลักษณะของเสียงที่มากระทบก็ลดจัดขึ้ น, นดนตรีเสียงปลุกเราต่างๆมันก็เลยเป็นการใช้ชีวิตที่ถ้าไม่รู้สึกตัวหลงเผลอไปกระดําดำเนินชีวิตอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเป็นวัตถุ ก, กรรมคุณต่างๆมันก็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 อย่างเช่นหลวงพักกมเนี่ยท่านก็อยู่อย่างปีนี้ก็เห็นแล้วก็ชื่นใจเหมือนกันก็คือเห็นหลวงพ่อเขียนท่านยอยู่ใกล้ๆพวกเราอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็บางทีก็เดินไปดูนักปฏิบัติธรรมนะพูดคุยอารมณ์ปฏิบัติบางทีก็มีพระมาส่งอารมณนะ์ซึ่งเป็นลรื่องหนาของความนะแนบแน่นสนิทสมกลมเกลียวแล้วก็เป็นเรื่องที่นะมันมันเป็นสภาพแวด ล, ล้อมที่เอื้ออาํานวยต่อการปีนบัติเป็นสปายยากว่าได้ ตั้งสถานที่นะอยู่สบายอาหารก็สบายกนะาพูดก็สบายสบายรูปแบบปฏิบัติก็เป็นเรื่องของสุขกาวิปัสสโกทำสบายอย่างง่ายให้ผลอย่างเลิศ่เงี้ยแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเสาหลักอยู่เราก็ไม่ลงทิศหลงทางกันเีย น, นะหรือยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่กรมอย่างเงี้ยนะอายุ 85-86 แล้วก็ยังเดินให้ดูย่องย่องยอง่ย อ, งย อ, งยอง่องเียนะเราเห็นแล้วเกิดกาลังใจ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 ตัแล้วแต่อะไรจะเกิดตัวแล้วเจ็ดลูกเมื่อไหร่ก็ก็ช่างมันหลวงพ่อไม่วังว่าอยากจะเอาออนพระเป็นพระนั้นพระนี่เอาตัวแล้วแต่อาการแล้วก็ฝาถนาออนบอนลอะไรก็ไม่เป็นปฏิบัติไปตามเรื่องตามเราตามยถ า, ากรรมของตัวเองครูบาอาจารย์ท่านสอนก็พยายามดูฟังไป ม, มันเป็นยังไงบางทีก็เข้าใจบ้างบางทีก็ไม่เข้าใจเข้าใจ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 โย่ายังไม่รู้ดอกหลวงพ่อเอ้ยยังไม่รู้ดอกอเกิดเสียใจแล้วมัเนี่ยเสียใจว่าอตัวเองไม่ไม่ไม่รู้ก็ทำแต่พึ่งตะเพอไปแล้วันเนี่ยทําไปจะเดินกับกำหนดจะเดินไปไหนมาไห้ก็ค่อยพยายามกําหนดตัวเองมันก็ไม่เข้าใจดอกเพราะความอยากมันอยากได้มีตั้งแตอ่อยากได้อย่างเดียวไม่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 พูดไม่เป็นมีแต่ดูกิจชีวิตจิตใจของตัวเองอพอมันหลงไปก็ค่อยมาดูตัวเองไปรูจักรูปรู้จักนามดูจกัจกสมมุติรูจกักศาสนารู้จักพุทธศาสนาแต่ก่อนไม่รู้จักพุทธศาสนาในศาสนาเนึกว่าตั้งแต่ทำบุญให้ทานรักษาศีลอยู่ทุก ว, วันทุกวันเนี่ยนื้ว่าอยู่ในพุทธศาสนาพุทธ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 สางขึ้นมาอะไรก็ไปติดนั้นไม่ค่อยบางคนก็รู้มารู้อย่างเงี้ยก็รู้จักรู้จักถอดรู้จักถอนรู้จักปวดรู้จักปว ร, รู้จักวางมันก็เบาไปถ้าเรายังไปติดอยู่เราก็จ้างความทุกข์กับตัวเองเมื่มาเข้าใจแล้วว่าโอ้คนเหล่านี่เกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่มาแบบนี้มาทําแบบนี้แล้วก็เข้ามาทําโทษเจ้าของมาลงโทษตัวเองเกิดมาเนี่ยมาสร้าง